เพื่อมาฟังเทศฟังธรร ม, มเพื่อนามาไปปฏิบัติให้เกิดผลให้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เป็นรสที่เหนือกว่ารสทั้งปวงคือรสแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงรสแห่งวิมุตติธรรม วันนี้จะนำเอาโมวาดภาะประชิมโมวาดของพระพุทธเจ้ามาเริ่มต้นในการแสดงธรรมเป็นคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่คือเป็นคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเป็นการฝากสติให้ชาวพุทธเรา ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ให้ลืมความตายนั้นเองว่าพวกเราทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนัางกายนี้ก็จะต้องตายไปทุกคนเพื่อเพื่อเป็นการไม่ประมาท จำเป็นที่จะต้องนะลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าสามารถระลึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็จะถือว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทดังที่เคยถามพระ อ, อ น, นุนว่า อ, อ น, นุนวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันพระ อ, อ น, นุนก็ตอบว่าประมาณสี่ห้าครั้งด้วยกัน เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตัดบอกพระอนุนว่าอนุนเธอยังตั้งอยู่ในความประมาทการที่เธอจะไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความตายทุบลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วก็ถ้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้ความตายนี้มันฝังอยู่ในใจของเราตลอดเวลาพอเมื่อรู้แล้วว่าชีวิตของเรานี้จะต้องสิ้นสุดลงเราจะไปหลงกับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีอยู่ในโลกนี้ไปทำไมของต่างๆความสุขต่างๆของโลกธรรม น, นี้มันเป็นความสุขชั่วคราว ความสุขจากลาบยศสารเสริญความสุขจากลูกเสียงขลินลดโผฏพละชนิดต่างๆมันเป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้มันเป็นความสุขที่ไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้เลยแต่กลับเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าเราละลึกถึงความตายอยู่เราจะได้ไม่ไปหลงกับการหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะลาบยศฉรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิ่นลสโถทอภพะก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจัง มีการเจริญก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดามีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีิทาตามมาเป็นธรรมดามีสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะย่อมมีทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะตามมาเป็นธรรมดา สรุปแล้วก็คือสิ่ง ต, ต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะเป็นความไม่เที่ยงอนิจจ์มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครไม่มีใครสั่งให้เจริญได้ตลอดเวลา ไม่มีใครห้ามไม่ให้เสื่อมไม่มีใครสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพื่อจะให้ความสุขกับตนไปตลอดเวลาได้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเสื่อมลงไปเมื่อเกิดการเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ตามมานี่คือการสอนให้เราไม่ประมาทเพื่อให้เราหา ความสุขจากวิธีที่ถูกต้องคือหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือการหาความสุขจากการทำบุญทาทานจากการารักษาศีลจากการภาวนาเนี่เพราะว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่จะอยู่ในใจของเรา และจะสามารถอยู่ไปเรื่อยๆได้ตลอดกลายเป็นบรมมรสุขขึ้นมาในที่สุดคือความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความสุขที่เกิดจากพระณิพานานี่เองภาิพานก็คือจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ทั้งปวง ความทุกข์เกิดจากความอยากจิตที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องละความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจและการที่จะละความอยากทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะมาละความอยากต่างๆเครื่องมือที่จะใช้ในการละความอยากที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบ ก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เองดังนั้นสิ่งที่เราควรทำกันควรจะรีบทำกันก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานทำให้เข้มข้นทำให้เต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นสุปฏิปันโนปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติทำทานด้วยการสละราชสมบัติ มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตัดสินใจสลับรัราชสมบัติหลังจากที่ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่คือได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้น พระราชบิดาจะส่งห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกจากนอกกำแพงพระราชวังไปจะให้อยู่แต่ในกำแพงพระราชวังแล้วภายในราชวังก็จะมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคนแก่คนเจ็บคนตายนี่ไม่ให้อาเข้าไปในวังโดยเด็ดขาดก็ทรงรู้ว่า ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนัก บ, บวชแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อการที่จะอยู่ครองราช <c oughs> แล้วก็จะคิดแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการออกบวชเนื่องจากตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูตดออกมาใหม่ๆ พระราชนิดาก็ได้ส่งเชิญโหราราลายหลายๆรูปด้วยกันมาดูดวงชะตาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งโหราจารย์ทั้งหมดยกเว้นหนึ่งท่านก็มีความเห็นว่ามีมีทางไปสองทางสำหรับเจ้าชายสิทธัตถะถ้าอยู่ของร้านก็จะเป็นพระมหาจากกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระพระบรมศาสดามีโหลอาจารเพียงรูปเดียวที่มีความทำนายแย้งจากท่านอื่น mm hmm. ก็คือเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องออกบวชและตัดสู่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาที่เป็นเป็นที่พึ่งของสารโลกต่อไป เมื่อเจ้าชายสุดโตธนะพระราลิดาได้ยินได้ฟังคาทานายของโหราจารย์ทั้งหลายก็เลยต้องคิดมางาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชให้ได้คือคนที่จะออกบวช น, นี้มักจะเป็นคนที่เห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการพัดผ้าจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบ mm hmm. ก็เลยพยายามห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยโลกธรรมที่เจริญคือเจริญในลาบยศจลาเสญสุข mm hmm. ด้วยการสร้างปราสาทสามฤ ด, ดูให้อยู่ mm hmm. ให้มีบริษัท์บริวารคอยรับใช้คอยตอบสนองความสุขในทุกรูปแบบ ให้แก่เจ้าชายศิทธชัตถนะแล้ก็ไม่ให้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย<ม>เห็นนักบวช<ม>แต่ความอยากรู้อยากเห็นมันธรรมชาติของคนเรา<ม>เวลาที่ถูกกะขังอยู่ในวงัง<ม>ก็อยากจะรู้ว่านอกกำแพงวังมีอะไรบ้าง<ม>ก็เลยวันหนึ่งก็เลยลักลอบหนีออกไปเดินเที่ยวกับมหาเล็ก เดินไปก็เห็นสิ่งแรกก็เห็นก็คือคนแก่เดินหลังข้อมมาก็ถามว่าคนนี้เป็นอะไรทำไมถึงต้องเดินหลังของ้อมถึงไม่เท้ามาเขาก็เป็นคนเหมือนท่านแหละสมัยก่อนตอนที่เขาเป็นหนุ่มเหมือนท่านเขาก็มีความแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นสังขารผ่านชรามันก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอลง กำลังวางชาที่เคยมีก็เริ่มบวชไปจนไม่สามารถเดินตัวตรงได้จาเป็นต้องอาศัยไม้เท้าค้าเดินไปเม้ แ, แต่ร่างกายของพระ อ, องค์เองก็จะต้องเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันพ<ม>อได้ยินว่าต่อไปร่างกายของพระ อ, องค์ก็จะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที ไม่เคยคิดมาก่อนว่าร่างกายของตนที่กำลังมีความแข็งแรงกำลังวังชามีรูปร่างหน้าตาที่ที่น่าดูน่าชมนี้จะต้องกลายเป็นร่างกายที่อับปลักไปในวันหนึ่งข้างหน้า mm. ก็เลยมีความเศร้าใจเกิดแบบขึ้นมาในใจก็เลยเดินเที่ยวต่อไปก็ไปเห็นคนนอนคางอดโอดคุยคางอยู่หน้าบ้านนอนบนแค่ ลองลองด้วยความทรมานทุกข์ทรมานเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถามมาเรียกว่าคนนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงต้องมาร้องอดคนคลางมาเรียกก็เล่าว่าเป็นคนเหมือนท่านนี่แหละ ต, ตอนนี้เขามีโรคไฟ้ไข้เจ็บเบียเดเบียนต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกันอืก็จะต้องร้องอดทนคลางอย่างนี้เช่นเดียวกัน เมื่อส่งใน้ทราบว่าต่อไปร่างกายของพวกเขก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยทำให้เกิดความเศร้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกพอเดินต่อไปอีกะระยะหนึ่งก็ไปเห็นกระบวนแห่ศพพาคนตายเพื่อไปทำชาพนักกิจก็ถามว่าทำไมคนเขาถึงต้องแบกคนนั้นไปเขาบอกว่าคนนั้นเขาตายแล้วเขาไม่มีลมหายใจร่างกายเขาทา เคลื่ไหวอะไรไม่ได้ทําอะไรเองไม่ได้แล้วแม้แต่ร่างกายของพระองค์ในวันหนึ่งก็จะต้องพบกับความตายอย่างนี้เช่นเดียวกันพอได้ทราบว่าในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็จะต้องตายพอตายก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างความสุขทางโลกกับธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ก็จะต้องสิ้นสุดลงไปก็เลยทําให้พระองค์มีแต่ความเศร้าใจ ความสุขที่เคยได้จากการใช้ร่างกายเส็โลกกรรทนั้นมันหายไปหมดพอคิดถึงอนาคตที่จะตามมาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยไม่มีความสุขอีกต่อไปก็จะตัดสินใจเดินกลับวางไประหว่างทางก็เห็นนักบวชเดินมา ป า, ามชายคนนี้เขาทำอะไรเขาถึงแต่งตัวแบบนี้เขาเป็นอะไรเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาวิธีการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายวิธีที่จะทำให้เขาไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บความตายว่าต้องทำอย่างไรบ้างเขาก็ต้องไปบวชต้องไปหาที่สงบที่ห่างไกลจากบ้านเมืองไปอยู่ตามป่าตามเขา เพื่อไปฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบเพราะเวลาใจเขาสงบนี้ความแก่ความเจ็บความตายคือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจะไม่มาลบกกนใจเขาใจเขาก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่เขาเข้าไปในสมาธิเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดมีความหวังขึ้นมาในครับ ความใจชื้นขึ้นมาว่ายังมีวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายก็คือวิธีของนักบวชนั่นเองต้องสละราชสมบัติต้องทำํำบุญทำทานสละราชสมบัติไม่มีไม่มีเงนินมีทางติดตัวไม่อยู่ในที่ในวังเพราะที่ในวังนั้นเป็นที่ กับดักของความทุกข์นั่น mm. เพราะสิ่งต่างๆที่มีในวังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่อาจจะหมดไปได้ทุกเวลานาที mm. ก็จะทําทให้ใจนั้นไม่ค่อยมีความสุขต่อการอยู่ในวงังและจะไม่สามารถทําใจให้สงบได้ mm. เพราะจะมีสิ่งที่มาคอยยั่วยวนความอยาก ไหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ก็รู้ว่าพอร่างกายแก่เจ็บหรือจะตายนี้ก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้อีกต่อไปก็องก็เลยมีความปรารถนาที่อยากจะออกบวชแล้วก็รอจังหวะโอกาสก็ได้โอกาสในคืนที่ได้ทราบว่า ถ้าเหตสีได้คอดพระราชโอรสพอได้ยินข่าวก็ทรงอุทานว่าราหุนมาเล็กก็คิดว่าองค์ทรงโปรดตั้งชื่อของพระราชโอรสว่าราหุนแต่ความจริงคำว่าราหุนแปลว่าบวงบวงใจบวงที่จะมัดร้อยใจของเจ้าชายสิทธัตถะให้ติดอยู่ในวังไม่สามารถออกบวชได้นั่นเอง แต่พระชายสิทธะนี้มีปัญญามีความฉลาดรู้ว่าถ้าไปดูลูกก็จะห่วงลูกจะรักลูกแล้วก็จะอยากจะอยู่กับลูกจะไม่อยากจะทิ้งลูกไปก็เลยตัดสินใจไม่ไปดูลูกในคืนนั้นและต้องหนีไปจากวังในคืนนั้นพระองค์ก็เลยทรงทําบุญทําทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็คือการสละราชสมบัติมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็รู้ว่าไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจได้ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ใจดับไปได้เวลาที่เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายรู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ ใจไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายก็คือการปฏิบัติแบบนักบวชนั่นเองคือการไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบเวลาใจเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมา แล้วก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหรือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเวลาที่มีความทุกข์ใจก็สามารถใช้การเข้าสมาธิเป็นที่หลบความทุกข์ใจไปได้เป็นช่วงๆนี่คือการเห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายเห็นว่าร่างกายของพวกเราเนั้นจะต้องเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บเข้าสู่ความตายอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่ถ้าเราไม่พิจารณาไม่คิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็อาจจะลืมได้เพราะถ้าเราไปทัวร์แต่ไปทำงานทำการไปหาเงินหาทอง ไปหาทรัพย์หายศหาตาแหน่งหาความสุขจากโลกธรรมเราก็จะลืมคิดไปว่าร่างกายของเรานี้มันจะแก่ลงไปเรื่อยๆวันละเล้อวันละน้อยพอมารู้สึกตัวเข้ามันก็สายเกินไปถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาไปเจอโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ตกใจกลัวกัน โดยเฉพาะเจอโรคที่แรงๆเช่นเจอโรคมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจโรคที่อาจจะทำให้ถึงแก่ความตายได้เอา น, นั้นใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่ได้คิดไม่ล่วงหน้าก่อนไม่ได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราให้เราเลิกถึงความตายกันอยู่เรื่อยๆ ให้น ล, ลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆนังที่มีบทสวนมวนตที่ให้สวดอยู่ทุกวันก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้ว<ม>เราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากการเป็นธรรมดา ให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆล่วงพ้นล่วงพ้นจากความแก่ล่วงพ้นจากความเจ็บล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ล่วงพ้นจากการทัดพากจากการไปไม่ได้เมื่อเรารู้แล้วถ้าใจเรายังทุกข์อยู่เราก็ต้องไปหาวิธีทำใจของเราให้ทุกข์ไม่ให้ทุกข์ก็คือทำใจให้สงบนั่นเองอันนี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เราได้ไปปฏิบัติ ให้ไปเตรียมตัวเตรียมใจไปทังเตรียมทำข้อสอบตอนนี้ให้ทดสอบจิตใจด้วยการทำการบ้านก่อนว่าเวลาเราแก่แล้วเราจะจะทุกข์ไหมเวลาเราเจอโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงที่อาจจะทำให้เราตายได้นี้เราจะทุกข์ไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่จะทำให้เราตายนี้เราจะทุกข์หรือไม่ถ้าเราจะทุกข์ก็แสดงว่าเรายัาง ต้องมีงานต้องทำอยู่เราต้องรีบไปเตรียมตัวไปทำงานไปทำใจของเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาโลกนี้ท่านได้ทำมาแล้วท่านได้ทำใจให้ของท่านให้ไม่ได้ทุกข์กับความแก่ไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ทุกข์กับความตายได้แล้วแล้วท่านก็มาสอนวิธีเบื้องต้นก็ต้อง ไปบวชกันด้วยอยู่แบบนักบวชยุติการแสวงหาความสุขจากโลกรธรรมทั้งสี่คือราบยุนสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายให้มาแสวงหาสันติสุขหาความสุขที่เกิดจากการความสงบด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาสัมมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ในสมัยที่พระเจ้าทรงไปบวชนัทรงไปศึกษาปฏิบัตินั้นมีเพียงแต่สมถาภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยกำลังของสติให้เข้าสมาธิให้เข้าสู่ฌานทั้งระดับรูประชานและอรูประชานเวลาใจเข้าสู่สมาธิความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็จะหายไปหมด ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปหมดชั่วคราวแต่เวลาออกจากสมาธิมามพอออกมาจากสมาธิแล้วพอเริ่มไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็จะกลับคืนมาอีกอันนี้คือการปฏิบัติในยุคที่พรุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตัดสัตวเป็นการ เป็นการรู้เป็นการปฏิบัติของของนักบวชในสมัยนั้นรู้วิธีดับความทุกข์ใจได้ด้วยสมาธิแต่สมาธินี้มันก็เป็นเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็คือความทุกข์นี่เวลาหญ้าถูกหินทับไว้หญ้ามันก็ไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้ เวลาสมาธิเข้าไปในใจเวลาใจสงบเป็นสมาธิความทุกข์ก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในใจได้แต่เวลาออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเอาญ้าเอาเอาหินที่ทับญ้าออกจากญ้าไปพอไม่มีหินทับญ้าพอย่าได้รับแดดได้น้ําำมันก็งอกงามกลับคืนขึ้นมาใหม่ความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกัน เวลาออกจากสมาธิมาไม่มีความสงบทับความทุกข์ไว้พอออกมาคิดปุงแต่งพอมาเห็นเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็กลับคืนขึ้นมาใหม่อระิุทธเจ้าอยากจะหาวิธีว่าทําอย่างไรไม่ให้ทุกข์ใจทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิมา ก็พยายามไปศึกษาหาอาจารย์ต่างๆอาจารย์ทั้งหลายท่านก็รู้แถ่วิธีดับความทุกข์ด้วยสมาธิคือดับแบบชั่วคราวดับแบบหินทับหญ้าแต่ไม่สามารถที่จะทําให้ญ้านั้นหายไปเวลาออกจากสมาธิมาเพราะว่าไม่ได้ถอนรากโคนของญ้านี่นเองรากโคนของความทุกข์ก็เช่นเดียวกันสมาธินี่เพียงแต่ไปกดความทุกข์เอาไว้ ไม่ให้ความทุกข์ปรากฏไม่แสดงตัวขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปถอดถอนเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรเมื่อไม่มีใครรู้พระพุท<ม>ธเจ้าเองก็อยากจะรู้อยากจะค้นหาวิธีก็เลยลองผิดลองถูกอยู่ทดลองวิธีการทรมานตนเองแบบสุดๆด้วยการอดพกายอาหารสี่สิบวัน ก็ไม่เห็นว่าความทุกข์จะหายไปได้ใครใช้ความสุขขณะที่เป็นคารวะเป็นเจ้าชายใช้ความสุขจากโลกธรรมจากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐัพพะมาดับความทุกข์ก็ดับความทุกข์ในชั่วครั้งชั่วคราวเวลจาจัดงานเลี้ยงเวลามีการได้เศษสัมผัสกับรูปเสียงกลิก่นรสที่ถูกใจได้สัมผัสกับลาบยศสรรเสริญสุขที่ถูกใจ ความทุกข์ต่างๆก็หายไปชั่อมต่อแต่พอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เหล่านั้นก็ยังกลับคืนมาได้ก็เรารู้ว่าวิธีการดับความทุกข์ทั้งสองทางนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้วิธีที่จะดับความทุกข์ได้ต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หลังจากได้ใช้ปัญญาอั น, อนแหลมคลมของพระพุทธเจ้าพระทรงพิจารณาก็เห็นว่าช่วงเวลาเข้าไปในสมาธิความทุกข์ดับไปเพราะสังขารความคิดปรุงแต่งหายไปหยุดไปความอยากที่เกิดจากความสะคิดสังขารปรุงแต่งก็เลยหายไปด้วย mm hmm. ก็เลยทำให้ความทุกข์หายไปพอออกจากสมาธิมาพอเลื่อนคิดปรุงแต่งก็เกิดความยนือยาก อยากให้นั่งกายไม่แก่อยากให้นั่งกายไม่เจ็บอยากให้นั่งกายไม่ตายเพราะไม่มีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายมีแต่อยากจะอยู่ไปนานๆด้วยกันทุกคนก็เลยทรงเห็นว่าเวลาคิดเวลาคิดไปในทางความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็โผขึ้นมาทันทีเวลาที่ไม่ได้คิดความทุกข์ใจก็หายไป แล้วจะทําอย่างไรที่จะทําให้ใจไม่คิดไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องมองความจริงของร่างกายเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่เราสามารถไปทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่ก็พิจารณาเราเห็นว่าไม่มีใครทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่มีใครไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ เพราะร่างกายไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครทั้งนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนบินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับมันได้เช่นลมพัดในขณะนี้ไม่มีใครไปสั่งให้มันพัดและก็ไม่มีใครไปสั่งให้มันหยุดไม่เหมือนกับพัดลมที่เรามีอยู่ในบ้านพัดลมอยู่ในบ้านเราจะสั่งให้มันพัดก็ได้ เสียบปักกดปุ่มมันก็มันก็พัดขึ้นมาพอไม่ต้องการให้มันพัดก็ถอดปลักออกมันก็หยุดพัดแต่ร่างกายนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่ไม่มีใครไปถอดปลักไปกดปุ่มสั่งมันได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายพอส่งพิจารณา ดูแล้วก็เลยเห็นว่าอ๋อมันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างอันใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนั้นยิ่งจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาองค์ก็เลยส่งพิจณาละความอยากที่มาสร้างความทุกข์ในทั้งความอยากในร่างกายอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งความอยากในเวทนา ที่อยากจะให้มีแต่สุขกเวทนาไม่อยากให้มีทุกข์กเวทนาก็เปลี่ยนเวทนาไม่ได้สั่งเวทนาไม่ได้เวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกขจากทุกขไม่เป็นไม่สุขไม่ทุกขวนไปเปลี่ยนมาแล้วก็จิตก็เช่นเดียวกันจิตก็เป็นจิตที่มีอารมณ์แปรปรวนบางวันก็สดชื่นแบบวันบางวันก็ผ่องใสบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็เครียดบางวันก็ เศร้าซึมเศร้าเป็นต้นก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้ะจะไปกําหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้การไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นไม่ได้ดังใจอย่างนี้แหะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจพระองค์ก็เลยทรงพิจารณาด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าร่างกาย ก็เป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัสตานมีการแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีธนาก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีใครไปกําหนดควบคุมบังคับได้จิตใจก็เป็นอารมณ์แปรปรวนอยู่เรื่อยๆบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เศร้าบางวันก็เบิกบาน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเดียวกันถ้าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจเพราะไม่สามารถไปบังคับมันได้นั่นเองเนี่ยหลังจากได้ทรงพิจารณากายเวทนาจิตแล้วก็เลยทรงปล่อยวางความอยากในกายในเวทนาในจิตเพราะยอมเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่ากายเวทนาจิตเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาที่ทุกข์เพราะไปอยากให้มัน เป็นไปตามความอยากคือไม่อยากให้มันเปลี่ยนไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเสือ่อมไม่อยากให้มันเศร้าไม่อยากให้มันดับนั่นเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมีเกิดมันก็ต้องมีดับมีการสิ้นสุดลงไปก็เลยปล่อยวางลาความอยากได้ทั้งหมดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วตอนนี้ใจก็ว่างใจก็จะว่างจากความทุกข์ว่างจากความวิตกกังวล ห่วงใยเดือดร้อนใจก็นิ่งวางเฉยได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอันนี้เป็นการถอนรากถอนโคนของความทุกข์ก็คือความอยากความอยากนี้แหละกันรากของเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้ เราอยากให้มีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เราอยากให้จิตไม่มีแต่ความผ่องใสเบิกบานเนื้อเพียงอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้อเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยทุ ก, กับดินฟ้าอากาศเพราอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไม่ได้ สินคาอากาศก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวน้ำก็ท่วมเดี๋ยวก็แรงมันสลับกันไปสลับกันมาตามภาวะของของสภาวะธรรมของเหตุตา ม, เห ต, ตามเหตุปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกันและกันนั่นเองนี่แหละคือการตัดสินของพระพุทธเจ้า การหลุดพ้นจากความทุกข์ของพระเจ้าคือมองเห็นว่าส เ, ธธาาาเปธธรรมะอนัตตาเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมความบังคับความอยากของใครได้ถ้าไป ม, มีความอยากที่ขัดกับความจริงแล้วก็จะเจอกับความทุกข์ใจถ้าไม่มีความอยากปล่อยให้สภาวะธรรมเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ใจก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้หน่างกายแก่เจ็บตายใจก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้เว ia, ทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากสุขเป็นทุกข์จากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใจก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาปล่อยให้จิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภาวะของเขาเขาจะเบื่บานเขาจะเร้าหมอ ง, องก็รู้ว่ามันเป็นภาวะของเขาที่ไม่มีใครไปสามารถไปควบคุมบังคับได้ พอ เ, เข้าใจหลักการอันนี้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆของใจให้เกิดขึ้นได้เพราะความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองเท่า น, นั้นเองเพราะไม่มีความไม่มีปัญญาไม่มีความความรู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังเป็นเนรยตาถ้าไปอยากให้เขา เป็นนิจจังเป็นอัตตาก็จะต้องเจอกับความทุกข์ขึ้นมาในใจนั่นเอง <S <S ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ส่งตัทเรลุได้ทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาการที่จะทำใจให้นิ่งเฉยกับสภาวะธรรมทั้งปวงได้ใจต้องมีความสงบมีความตั้งมั่น วางเฉยได้ปล่อยวางได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธิถึงแม้จะได้ยินได้ฟังเรื่องปัญญาว่าเป็นเรื่องที่เราเป็นเรื่องธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาก็ยังจะไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะใจยังมีความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ดีอยากให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาไม่อยากให้มีทุกขเวทนาอยากให้จิตใจผ่องใสเบิก บ, บานอยู่เรื่อย ก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีกำลังของสมาธิมาเป็นผู้หยุดปัญญาเป็นเพียงที่เป็นผู้สอนให้หยุดแต่ผู้ที่จะทำให้หยุดได้ก็คือสมาธิฉะงนั้นการปฏิบัติก็เลยต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนและการที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาได้นี่ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุน ศีลก็คือศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดนี้จะกำจัดป้องกันไม่ให้ไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆนั่นเองเพราะการไปทำกิจกรรมตามความอยากนี้เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงเวลาเราอยากจะเสพอะไรพอเราได้เสพแล้วความอยากนั้นมันไม่หมดไป ความอยากนั้นมันจะกลับมาใหม่กช่นอยากจะดื่มกาแฟพอไปดื่มกาแฟความอยากที่อยากดื่มกาแฟก็หายไปชั่วคราวความสบายใจก็เกิดขึ้นจากการดื่มกาแฟเพราะความอยากมันความอยากมันหยุดไปชั่วคราวแต่พอฤทธิ์ของกาแฟหมดไปความสุขที่ได้จากกาแฟหมดไปความอยากจะได้ความสุขจากกาแฟก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็เกิดความอยากอีก พอเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดําคารใจขึ้นมาจนทนไม่ไหวฝืนไม่ไหวก็ต้องไปดื่มอย่างเดือนกี่ถ้วยกี่ครั้งก็ไม่มีวันหมดมันเป็นการต่อยอดเป็นการเพิ่มพลังของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องเลิกทําตามความอยากแต่ถ้าจะเลิกทาตามความอยากได้ก็ต้องมีกําลังของสมาธิหยุดความอยาก ถ้าไม่ฝึกสมาธิแล้วเวลาติดอะไรนี้เลิกไม่ได้แต่คนที่มีสมาธินี่เขาเลิกได้เขาติดอะไรเขาเลิกได้เห็นคนเขาเคี้ยวหมากนี่ไปว่าเขาติดเขาไม่ติดก็มีอย่างน้องตานี้ท่านเคี้ยวหมากคนเขาถวายหมากมาให้ท่านก็เคี้ยวท่านท่านเคี้ยวเวลามันมีเวลาไม่มีใจเขาท่านไม่หงดเหียดใจท่านไม่ไม่ไม่ไปหาหมากมาเคี้ยวไม่เคยไปสั่งว่าให้ไปหาหมากมาให้เรานะหมากที่เรามีหมดแล้ว ถ้าไม่มีหมาเคี้ยวแล้วเราจะตายให้ได้อันนี้ไม่มีในใจของคนที่มีสมาธิมีปัญญาจะรู้ว่าทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้จะไม่ติด <c oughs> บุหร่หลวงปู่มั่นนั่นก็สูบบุเร่แต่ท่านก็ไม่ได้สูบด้วยความอยากท่านก็สูบด้วยเวลามีใครามาถวายกนฉลองศรัทธาเข้าไปสูบตามตามธรรมเนียมสูบตามธาตุขันธาตุขันเคยชินเคย เคยสัมผัสกับบุหรี่พ อ, อมันมีให้มันสัมผัสอีกก็ให้มันสัมผัสไปแต่ใจไม่ได้มีความกระสญญานอยากจะอยากจะสูบมันแต่อย่างใดมีก็สูบก็ได้ไม่มีก็ไม่สูบก็ได้ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพรา ะ, ะท่านเหล่านี้ท่านมีสติก็มีสมาธิท่านมีปัญญาท่านสามารถทําให้ใจของท่านวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนกับการมีหรือไม่มีกับสิ่งต่างๆแต่เมื่อท่านยังมีธาตุขันธ์อยู่ ยังสามารถใช้ธาตุขันธ์เสพสัมผัสกับรูปเสียงขีดเลือดผลถ้าพลาชนิดต่างๆได้ถ้ามันไม่เป็นผิดศีลผิดวินัยท่านท่านก็สามารถที่จะสัมผัสมันได้เสพมันได้แต่ท่านไม่ติดมันท่านเองอเวลาไม่มีท่านก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดดังนั้นตอนที่เราจะใช้ปัญญาละความอยากต่างๆได้เราต้องฝึกใจให้สงบให้ตั้งอยู่ในโอเบก ค, คาให้ได้ ให้วางเฉยให้อยู่เฉยเฉยให้ได้ก่อนแล้วการที่จะทําให้เรามีเวลาฝึกสมาธิเราก็ต้องหยุดกิจกรรมทางการมารมณ์ทางการมการมาคุณห้าทางรูปเสียงกลิ่นรสการถือศีลแปนี้ก็เป็นวิธีการยุติการหาความสุขทางการมมคุณห้านั่นเองศีลข้อสามของศีลแปก็จะห้าไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้หา ความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็สินก็หกก็ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากให้รับประทานอาหารแบบเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายซึ่งรับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ควรที่จะเกินเที่ยงวันไปเพราะหลังจากเที่ยงวันจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติเ mm hmm. จริญสตินั่งสมาธินั่นเอง mm hmm. แล้วถ้า แล้วก็ต้องห้ามไม่ให้เอาเวลาไปให้กับการหาความสุขอจากมหรศลศพบันเทิงต่างๆหรือการเสริมสวยความงามของร่างกายเพราะ น, นี่มันจะเป็นการเสียเวลาจะทำให้ไม่มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิ mm hmm. และเป็นความสุขแบบแบบที่จะมาสร้างความทุกเวลาที่เกิดความอยากแล้วไม่สามารถที่จะไปหาความสุขแบบนั้นได้ mm hmm. ก็ต้องพยายามเลิก การหาความสุขทางการมรุนทั้งห้าแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปนอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอสาหรับร่างกาย<ม>ถ้านอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงที่สำราญเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันอยากจะนอนต่อเพราะมันเตียงมันฟูกมันหนามันนอนแล้วมันสบาย<ม>ก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมง ก็จะทําให้เสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปได้นักปฏิบัติที่ต้องการที่จะเจริญสติเพื่อให้จิต เ, เข้าสู่ความสงบของสมาธิเพืเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากลูกเสียงกิภภ่นรสโผฏฐัพพะและเพื่อที่จะให้ได้มีอุเบกขาคือการวางเฉยการไม่มีความรักชังตัวหลงกับสิ่งต่างๆได้ก็จําเป็นจะต้องมีเวลาให้การฝึกสตินั่งสมาธิ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนในการจะฝึกสมาธิได้ผลดีนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีเวล า, าว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปหาที่สงบสงัที่เวกเพื่อที่จะได้เจริญสติเพราะการเจริญสตินี้ต้องการหยุดความคิดถ้ายัางต้องทำงานยังต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่ก็จาเป็นที่จะต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าใช้ความคิดก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบได้ฉะนั้นต้องไปเจริญสติไปฝึกสมาธิในวันที่ไม่มีภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ต้องไม่ไม่ควรที่จะไปสังคมกับใครด้วยควรจะไปตปิดวิเวกไปอยู่ตามลําพังอยู่ในฐานที่ที่สงบสงัายเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคอยควบคุมความคิดด้วยการเจริญกรรมาฐาน บทได้บทหนึ่งกรรมฐานที่นิยมใช้กันในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ท่านนํามาเผยแผ่สั่งสอนก็คือพุทธานุสติให้เรามีสติเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอเลื่นตาขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธไป เราจะไปทำจิตส่วนตัวไปอาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปกำกับไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คืองานอาบน้ำนั่งหน้าแปรงฟันควบคู่ไปกับคาบริกรรมพุโทโธพุทธโธถ้าเราทาอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สติเป็นสัมปะชัญญะคำว่าสัมปะชัญญะก็คือต่อเนื่องสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่เผลอถ้าเป็นสติที่ยังเผลออยู่เราไม่เรียกว่าสัมปะชัญญะตั้งสติพุทโธได้สองสามคำไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคน น, music, น dictator, ี้พอรู้ตัวอีกทีก็หลายวัหลายนาทีผ่านไปแล้วด <may> ึงกลับมาพุทโธใหม่กล <may> ับมาพุทโธได้สองสามวินาทีไปอีกแล้ว อันนี้เรียกว่ายังไม่ใช่เป็นสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนี้ไม่ไปไหนไม่เผลออยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามีสติสัมปชัญญะเวลามานั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายจิตจะไม่รู้สึกเปิดอัดนั่งให้จะเปลี่ยนมาดูลมหายใจก็ได้หรื อ, อยังใช้พุโทโธต่อก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้น ถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างตอนนองเดี๋ยวจิตก็รวมลงเป็นสู่สมาธิเวลารวมก็บางทีก็อาจจะเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อวุบตกมาจากที่สูงแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายพุโทโธก็หายไปอันนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรสักแต่ว่ารู้ไปเพราะตะนนั้นไม่มีความคิดปรุงแต่งมีแต่ผู้รู้คือสักแต่ว่ารู้เป็นเอกขตารมมีอารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีอุเบกขา ใจปัสจากความรักชังกลัหลงอันนี้แหละคือคือสภาพของใจที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเพราะใจที่เป็นใจที่สงบมีอุเบกขานี้เวลาออกจากสมาธิมานี้จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาที่เราไปเจริญปัญญาไปสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเราต้องอาศัยใจที่มีอุเบกขาใจที่ตั้งอยู่ในความสงบความนิ่งเฉยได้ แ ต, แต่เบื้องต้นเราต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้มันมีความสงบตลอดทั้งวันทั้งคื น, นเวลาอยู่ในสมาธิสงบพอออกมาจากสมาธิเราก็ใช้การเจริญสติคอยรักษาความสงบนั้นไปทางพังก่อนแล้วพอใจเริ่มไม่สงบแล้วเพราะสติเราอาจจะหายไปเป็นครั้งเป็นตอนเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่เข้าออกไปอยู่เรื่อยๆพอใจไม่สงบก็เข้าไปในสมาธิ พอพอพอสงบพอแล้วก็ออกจากสมาธิมามาเดินจงกรมมาทําอะไรบ้างถ้ามีกิจจําเป็นที่ต้องทำเช่นอาบน้บําอาบผ้าทำความสะอาดสถานที่อะไรต่งางๆก็ทําไปทําไปควบคู่กับการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปพอไม่มีอะไรต้องทำแล้วถ้ายังอยากจะเคลื่อนไหวอยู่ก็เดินจงกรมต่อไปถ้าไม่อยากจะเคลื่อนไหวอยากจะนั่งก็ไปนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้า ให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ใจนิ่งไปนานๆทําอย่างนี้ไปให้ชํานาญก่อนจนกระทั่งตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้มีแต่ความสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่ออกจากสมาธิ ถ, าถ้ามีเวลาที่เกิดจิตไม่สงบก็กลับเข้าไปในสมาธิมาเพราะสติเราบางครั้งก็อาจจะพังเถอปล่อยให้คิดไป เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ก็ต้องเข้าไปในสมาธิฝึกสมาธิแบบนี้ไปก่อนจนกระทั่งรู้มีความมั่นใจว่าสามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่ในคามสงบได้ทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิมาเมื่อถึงเวลานั้นเราเราก็จะมาสู่ขั้นปัญญาต่อไปเพื่อมาละความทุกข์ ละความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจที่ยังไม่ได้ถูกกําจัดด้วยกําลังของสมาธิเพราะสมาธิเป็นเพียงแต่เห็นทัพยาเท่านั้นเอง<ม>ก็ต้องมาพิจารณาร่างกายก่อนแล้วก็พิจารณาเวทนา<ม>แล้วก็พิจารณาจิตตามลําดับ<ม>กายเวทนาจิตพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง<ม>เป็นของที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันเที่ยงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องปล่อยให้มันไม่เที่ยง พิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามเพราะว่าถ้าไปให้มันเห็นว่าร่างกายนี้สวยว่างามมาแก็มันก็จะเกิดตัณหาขึ้นม า, ก า, มนาเกิดาการมาตัณหาเกิดการมาราคะขึ้นมาพอเกิดการมราคะความทุกข์ความหงุดหงิดใจก็จะปรากฏขึ้นมาก็ต้องใช้การพิจารณาอสุภะดูความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ะะจะได้ดับความความอยากที่จะเสพ รูปเสียงกินรสของผู้น่่งกายของผู้ต่กำจัดการมลาพระด้วยการพิจารณาสุภะถ้าเกิดความอยากกินอาหารรับประทานอาหารตามความอยากก็ต้องพิจารณาปฏิกูลของอาหารเวลาหิวเวลาอยากจะกินอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องอยู่ในปากเวลาเข้าไปในปากมันถูกเคี้ยวถูกบดผสมกับน้ำตาล ถ้าคายออกมาแล้วยังจะกลับตัดเข้าไปกินได้หรือเปล่าถ้าคิดถึงอาหารที่อาจเจียนออกมาแล้วเราอยากจะกินอาหารเหลานั้นหรือไม่ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทําให้ความอยากกินอาหารนั้นหายไปเพาความอยากกินอาหารมันก็จะทําให้ทุกใจได้สําหรับคนที่ไม่เคยถือศีลแปลดคนที่ไม่เคยอดอาหารมาก่อนพอ ด, อดข้าวเย็นมาก่อนพอ ถ, ถึงเวลาเย็นท้องมันจะร้องใจมันก็จะหิวขึ้นมา วิธีแก้ก็คือคิดถึงปฏิทูนคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่ถ่ายออกมามพอเห็นภาพของอาหารที่ถ่ายออกมามันก็จะไม่ไม่อยากจะกินอีกต่อไป<ม>นี่คือการพิจารณาเรื่องของร่างกายมีหลายมิติด้วยกันพิจารณาว่าไม่เที่ยงแล้วก็เราพิจารณาว่าไม่มีตัวตน เอาแยกแยะอาการ32ของในร่างกายออกมากองกองไว้แล mm ้วลองไล่ไปหาดูซิว่าส่วนไหนที่เป็นตัวเราบ้างผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเม็ดเป็นเราหรือเปล่าฟด์หนังเป็นเราหรือเปล่าเนื้อเป็นเราหรือเปล่าไล่ไปทั้ง32อาการคําตอบมันก็จะบอกว่าไม่มีเราอยู่ในสิ่งเหล่านี้เลยก็จะสรุปได้ว่าเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกาย แล้วเาก็มองว่ามันมาจากอะไรมันก็มาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่เรากินเข้าไปเนี่ยดมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําอาหารที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดินความร้อนที่เราได้จากดวงอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟพอมันมาบ ร, รว ม, มอยู่ในร่างกายมันก็ทําให้ร่างกายมีชีวิตชีวาพึ่งหนาอยู่ได้แต่มไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงดินฟ้าดินน้ําลมไฟ แล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเวลาที่ร่างกายตายไปสิ่งที่ไปก่อนก็คือลมตามไปด้วยธาตุไฟตามไปด้วยธาตุน้ำแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินร่างกายก็แข็งกรอบแห้งกรอบผุพังไปกลายเป็นดินไปอนี่คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้ละความอยากในร่างกายให้ได้ในทุกรูปแบบ และความอยากให้มันเป็นเป็นของเราตัวเราเป็นไปไม่ได้ละความอยากให้มันอยู่ให้ความสุขกับเราให้ด้วยการด้วยการเห็นว่ามันสวยมันงามก็มันก็ไม่สวยไม่งามแล้วความอยากกินอาหารก็ต้องละด้วยการใช้การดูการเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารมันมีสองด้านเวลาอยู่ในจานมันก็น่ากินเวลามันไปอยู่ในถั่วส้วมมันก็ไม่น่ากิน ถ้าไม่อยากกินก็ต้องนึกถึงเวลาที่มันไปอยู่ในโถส้วมแล้วรับรองได้ว่าความอยากกินมันจะหายไปทันทีออันนี้คือวิธีแก้กิเลสต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายแล้วก็มาแก้กิเลสเกี่ยวกับเวทนาเวทนาก็คือความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่มาจากร่างกายบางทีร่างกายก็มีสุขเวทนาบางทีก็มีทุกข์เวทนาใช่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นะ เราสั่งให้มันหายไปได้หรือไม่เราก็สั่งให้มันหายไม่ได้เราสั่งให้มันไม่เกิดขึ้นมาก็สั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นอนาตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ด้วยอุเบกขาทำใจวางใจเฉยๆอย่าพยายามให้มันหายมันจะเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะหายก็ปล่อยให้มันหายเองถ้ามันไม่หายก็อยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วก็มาพิจารณาเรื่องอารมณ์คือ คือจิตของเราก็มีอารมณ์แปรปรวนอยู่ไปทั้งวนันทั้งคืนเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สดชื่นเบิกบานเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็โกรธมีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากไปให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะบางทีเราก็ควบคุมมันมบังคับมันไม่ได้บางเวลาเราควบคุมได้ก็ควบคุมไปเช่นบางทีเราใช้สติทําให้มันใจให้มันสงบได้ก็ทําไป แต่บางเวลาใช้สติก็มันก็อาจจะไม่สงบก็ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันวันนี้มันไม่ยอมสงบก็อย่าไปเครียดกับมันอย่าไปทุกข์กับมันรู้ตามความเป็นจริงของมันอย่าไปยึดเอย่าไปติดกับกายเวทนาจิตอย่าไปหาความสุขจากกายเวทนาจิตเพราะกายเวทนาจิตมันเป็นทุกข์ทุกเพราะมันเป็นอนิจจมันเป็นอนัตตานั่นเองให้มาอยู่กับจิตที่ไม่มีความทุกข์ดีกว่า จิตที่ไม่มีความทุกข์ก็คือจิตที่ปล่อยวางจิตที่เห็นสภาพความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาสเพธามาอนัตตาไม่มีอะไรที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะมาเขาจะไปก็ปล่อยเขามาปล่อยเขาไป<ม>แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข<ม>์เราสามารถอยู่ท่ามกลางการแปรปรวนของสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ถ้าเรามีสติมีปัญญามีอุเบกขา มีใจที่สามารถนิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้อันนี้แหละคือคือวิธีที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง<ม>ต้องปฏิบัติตามขั้นตามตอนด่านขั้นตอนแรกก็คือทําทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่อาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์เพราะดับไม่ได้แต่เป็นเครื่องสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเงินทองเป็นของไม่แน่นอนเวลามันเสื่อมมันก็จะทําทให้ใจเราทุกข์ได้ เัระนั้นอย่าไปอาศัยเงินทองสละสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลแปดไปภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบให้จิตใจเข้าสู่ความเนื่องเฉยมีอุเบกขาไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีความรักชังกลัวหลงกับอะไรแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจ ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอย่าไปอยากให้มันเที่ยงอย่าไปอยากให้มันสุขอย่าไปอยากให้มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้แล้วความทุกข์ที่มีเคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีอยู่ในใจก็จะถูกกำนาจของปัญญาทำลายไปหมดทั้งปัญญาและสมาธิเป็นของที่ต้องไปควบคู่กัน ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้ถ้ามีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต้องมีทั้งสองอย่างทํางานควบคู่กันปัญญาเป็นผู้ชี้เป้าบอกว่าตัวที่ต้องการทําลายก็คือความอยากสมาธิเป็นเหมือนกับเป็นผู้ยิงเป้าก็ยิงไปที่ความอยากหยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้ด้วยสมาธิเพราะปัญญาเป็นผู้ชี้บอกอย่าไปอยากอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์เวลามันจะแก่มันก็ก็เรื่องของมันใจจะไม่ทุกข์กับมันเพราะใจไม่ไปอยากให้มันไม่แก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่มีความอยากไปให้มันไม่ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีความอยากให้มันไม่ตายมันตายก็ปล่อยมันตายไป สมาธิเป็นผู้หยุดความอยากแต่ใจเป็นผู้สอนปัญญาเป็นผู้บอกให้ใครเป็นผู้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากนี่ถ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หายหมดไปได้พอใจไม่มีความอยากหลงหรืออยู่แล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นวิมุตินิพพานขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นนิพพานคือบร ม, มสุขขึ้นมา เป็นใจที่ไม่ต้องกไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆนั้นได้ถูกทําลายด้วยการปฏิบัติทางศีลภาวานานี่เองเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็ไม่มีความทุกข์ที่ตามาอีกต่อไปท uh ุกในใจก็ไม่มี <K> <người S 2> เพราะความอยากต่างๆนั้นถูกทําลายไปหมดทุกที่จะตามาที่เกิดจากการไปเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีเพราะความอยากที่จะไปเกิดแก่เจ็บตายก็ถูกทําลายไปหมด ใจก็จะอยู่ตามอยู่ในอยู่ในนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอยู่กับบัลลงก์รัสุขไปตลอดนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราพวกเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราเราลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้จะต้องสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งให้เรารีบเอาเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับเราก่อนมาทําให้เราได้หลุดพ้น จากกองทุกแห่งการเรียนวหว้ตายเกิดก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ mm. ก็เอาความรู้ mm. ความสามารถของเรานี้มาช่วยคนอื่นต่อไปสําหรับคนที่เขาอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ mm. แต่ถ้าคนที่เขาไม่อยากจะเรียนรู้ mm. ก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าไปอยากสอนคนที่ไม่อยากเรียนรู้เ mm. พราะจะเหนื่อยจะไม่ได้ประโยชน์เพราะเขาจะเป็นเหมือนกับสุนัขที่เวลาสาดน้ำใ ส, สำใส่สุนัขนะสรดน้ําใส่หลังหมาเขาเรียก mm. สุนักมหมามันก็จ ะ, ะสบัดทิ้งไปหมดเวลาเอาธรรมะไปสอนคนที่เขาไม่สนใจเขาก็จะโยนทิ้งไปหมดอย่าไปเสียเวลาสอนคนที่เขาอยากจะเรียนอยากจะรู้ธรรมนั้นถ้าก็ไม่อยากจะเรียนรู้ก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามสภาพของเขานี่ก็คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรใจเวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตชิน ah ังเปตานังประกาศปติอจิตังป oh ัจิตังตุมหัง e คิดเมวะสมิจจตุส um ัพเพปุเรนตุสังคปา จันโทปนะระโสยถาณิโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโลควินาศตุมาเตภวตวันตาายุสุขิติคายุโกภวะ อภิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัวันนี้มีชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์มาเลมาเยี่ยมเยียนก็จะขอเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติถ้าเขามีคำถาม ให้เขาได้ถามก่อนหลังจากที่เราได้ประกาศว่าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะวันนี้จากทางเฟ c e b o o สามร้อยสองจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร o อยสี่สิบยูดรวห้าสิบหกวิทยุออนไลน์แปดคลับเฮา์หกจากผู้รับฟังหน้ากุติสองร้อยเก้าสิบหกท่านรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยหนึ่งพันแปดค่ะ ไม่ทำคำครับสักตวารู้แปลว่าอะไรครับ merely knowing just merely know when you see something just merely know that what you see don't react no reaction just know สักตวารู้มัน just know ครับโอเคแล้วก็ถ้าเปลงคีริโอทัพภะเป็นภาษาไทยมันแปลว่าอะไรครับพี่เแปลว่าความอายความอายโอทัพภะคือความกลัวความกลัวความกลัวบาป เวลาทำบาปแล้วกลัวจะถูกจับไปลงโทษก็จะไม่กล้าทำบาป <Yeah. S 1> อายความอายก็เวลาเราทำบาปนั้นเราจะเป็นคนไม่ดีเราถ้าเราอยากเป็นคนดีเราก็จะไม่กล้าทำบาปเพราะเราอายอายคนอื่นเขาจะว่าเรา a ชิ f u l feeling shameful when you do evil things and e having fear when you do something bad because you know you will have to pay for what you do so if you have these two qualities l otapa. Then you will not do any bad karma. Okay. c o r r e c up So that's all for for you from Malaysia and Singapore. Right. I think that's about all the time we have for today. So I'll let you all go home. May you find peace and happiness. And. And eventually get to nibbana. Okay.